มินิทานเรื่องหนึ่งเล่าไปแล้วโยมมาถามต่อท่านอาจารย์เล่าต้องการจะสอนอะไร <laughs> มีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องน้ําส่ในฟังแล้วยังฟังแล้วอันนั้นเข้ า, ขาใจน้ําส่ในฟังเล่าให้ฟังเพื่อให้เรียนเรื่องสัญญาเวลาคนเราฟังอะไรแล้วเนี่ยมันจะแปลแปลใครยังไม่ได้ฟังบ้างใครไม่ได้ฟังก็ไปโหลด เปโหลดฟังออกจากเว็บของบ้านจิตสบายแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เล่าต่อมาก็คือเรื่องชื่ออะไรนะไอ้ปืดไอ้ปืดไอ้ปืดนึกออกไหมไม่ได้ฟังไอ้ปืดเนี่ยเป็นคนยังไม่บอกดีกว่าลองลองเปิดฉากใหม่นะแล้วลองลองดูว่าจิตคนเวลา รับรู้อะไรเนี่ยมันจะมีการแปลค่าแบบไหนนี่เล่าเพื่อจะให้สังเกตดูว่าจิตมันทํางานแบบไหนสัญญามันทํางานแบบไหนสัญญามันทํางานร่วมกับสติแบบไหนถ้าไม่มีสติสัญญาทํางานล้วนๆมันจะแปลค่าเองไปขนาดไหนเสียงวันหนึ่งนะเศรษฐีคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วเสียงโทรศัพท์ ดังขึ้นโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันจะมีริงโทนใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นเสียงอะไรเดี๋ยวนี้แน่นอกหรือว่าอะไรหญิงลีไม่เคยฟังเลยนะแต่เห็นในหนังสือพิมพ์พาดหัวบ่อยจังนึกไม่ออกเหมือนกันมันจะเป็นเสียงยังไงนะออาเป็นว่ามีเสียงริงโทนขึ้นมาริงโทนขึ้นมาเศรษฐีก็หยิบมาดู ยังไม่ทันดูเลยว่าเป็นชื่อใครเพราะว่าเศรษฐีมีตังค์แต่บางทีใช้ไม่ค่อยเป็นนะซื้อมาใช้มักจะให้เมมทีเมมทีค น, <c ười> คนนี้ลืมเมมเห็นเป็นตัวแลขก็ฮลัลโหลว่าไงใครอ่ะ <c ười> ผมครับผมอะคร <c ười> ปืดครับ <c ười> ปืดไหน <c ười> สัญญาไม่ไม่เทียบเลยใช่ไหมขณะนี้เนี่ยได้ยินเสียงแล้ว แต่มันสัญญาประสบการณ์ใหม่คือเสียงเนี่ยไปเทียบกับความจําเก่าชื่อเอฟฟืดนี่มันคนไหนตามหาแล้วจําไม่ได้อันนี้เรียกว่าจําไม่ได้จําไม่ได้คือสัญญาเก่ากับประสบการณ์ใหม่เนี่ยเทียบกันไม่ได้ทาบกันไม่ท่าบกันไม่ลงตัวสัญญามีอยู่ประสบการณ์ใหม่ก็มีอยู่แต่หาไม่เจอเรียกว่าจําไม่ได้ ปื้ดครับปื้ดคนที่เป็นคนเฝ้าเรียกอะไรรีสอร์ทเฝ้ารีสอร์ทท่านนะครับอ๋อไอปืด้ดน่ยตอนนี้จําได้เรียกว่าสัญญาเก่าผุดขึ้นมาหน้าไอปื้ดเป็นยังไงกับชื่อไอปื้ดที่ได้ยินเมื่อกี้นี้ทาบกันได้เรียกว่าจําได้จําได้เนี่ยก็คือประสบการณ์ใหม่กับสัญญาเก่าเทียบกันเจอ แต่ยังไม่มีสติเป็นสติแบบโลกโลกยังไม่ใช่มีสติแบบสติปัฏฐานเข้าใจหมไอ้ที่เราคิดว่าเรามีสติมีสติเนี่ยเป็นสติแบบโลกโลกโดยมากสติปัฏฐานคือต้องรู้กายหรือรู้ใจรู้กายหรือรู้ใจถ้าแยกกไปก็คือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรวกไปให้เหลือง่ายๆก็คือรู้กายหรือรู้ใจที่เป็นกายแท้ๆใจแท้ๆ ที่ไม่มีไอ้ปืด๊ดเนี่ยนะไม่มีหน้าคนไม่มีชื่อคนไอ้ปื๊ดก็บอกว่าท่านครับผมไอ้ปื๊ดครับไอ้ปื๊ดที่เฝ้ารีสอร์ทนนะครับอ๋ออ๋อไอ้ปืด๊ดนี่คือจาได้ว่าไงล่ะต้องการให้เราช่วยอะไรนี่เศรษฐีส่วนใหญ่เวลาคนโทรหามนะมักจะโทรไปกวนใช่ไหมโทรไปขอหนุนขอนีใช่ไหมตอนนี้เศรษฐีมีจิตอะไร จิตกรุณามีจิตกรุณานะสงสัยมันมีเรื่องเดือดร้อนต้องการให้ช่วยอะไรตอนนี้เป็นบุญไหมดูเหมือนจะเป็นบุญน ะ, ะท่านครับคือนอกแก้วทางฮนะนอกแก้วอะครับนอกแก้วไหนนอกแก้วนอกแก้วตัวที่ชนะการประกวดพูดนะครับมันตายครับตอนแรกนอกแก้วเนี่ยนึกไม่ออกพอ ไล่รายละเอียดไปแนละ้วจำได้จําได้เรียกว่าไม่ใช่มีสติแบบสติปัฏฐานจําได้ว่านกแก้วคือรูปร่างอย่างนี้ไอ้ตัวนั้นเป็นอย่างนี้แพงด้วย <c oughs> <c oughs> ความจํานะมันประมวลแล้วอย่างนี้เลยว่าแพงด้วย <c oughs> อ้าวโหเป็นไรตายมันกินเนื้อม้าครับเนื้อม้าเน่า เฮ้ยทำไมใครไปให้เนื้อมาเน่าๆกินกปกติเนื้อกปกติแล้วล้องแก้วจะกินอะไรกินเมล็ดเมล็ดพันธุ์พวกเม็ดข้าวบ้างเม็ดอะไรทานตะวันอะไรพวกนี้ยนะไปเป็นเป็น เ, น เ, นเนมล็ดธั ญ, ญพืชนะใครให้มันกินใครให้มันกินทีแรกเนี้ย รู้ว่านกแก้วตายก็นึกปลอบใจเออไม่เป็นไรตอนเราซื้อนกแก้วมาเนี่ยก็ซื้อราคาไม่กี่บาทไม่มากนักที่มันแพงมาเพราะว่าไปชนะประวุตก็ยังพอทําใจได้เรียกว่าปลอบใจตัวเองขณะที่ปลอบใจตัวเองเนี่ยทําสมถะพูดพูดในใจเพื่อปลอบใจตัวเองให้ลดลดความเสียดายลดความโกรธปลอบใจตัวเองนี่ทําสมถะอ่ะไม่เป็นไรเอามันตายเป็นอะไรตาย มันกินเนื้อม้าครับเนื้อม้ามันเน่าเลยอาหารเป็นพิษตายนกแก้วอะไรกินเนื้อมา้าใครให้เนื้อม้ามันกินคือไม่ได้ไม่มีใครให้มันกินครับม้ามันตายเองแล้วมันก็ขึ้นไปคือนกแก้วมันเชื่องเขาเลยไม่ได้ขังกรงแล้วพอไม่ขังกรงมันก็เลยบินไปบินมาเกาะศพม้า กินเนื้อม้าแล้วม้านั้นตายอืดเน่าแล้วอะไรของแกนกแก้วไปกินเนื้อม้าที่ไหนม้าที่ไหนตายสงสัยสงสัยไม่รู้สงสัยนะสงสัยทีแรกโกรธหน่อยๆจากการนกแก้วตายแต่ปลอบตัวเองเป็นสมถะปลอบตัวเองทำสมถะทั้งที่ไม่รู้ตัวนะปลอบตัวเองไป มีประสบการณ์ใหม่ขึ้นมาม้าตายม้าตายม้าที่ตัวไหนตายก็ม้าพันแท้นะครับมา้าคือไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาพันแท้ของม้าเนี่ยเขาใช้เพชดีกรีไหมไม่ได้ใช่เนาะเพศกดีกรีใช้เฉพาะสุนัขใช่ไหมม้าพันแท้เนี่ยมันมีชมรมของเขานะที่มีใบรับรองว่าเป็นพันแท้แพงเฮ้ยทำไมมันตาย เสียดายกว่าเดิมนะไอ้ตัวเสียดายนกแก้วเนี่ยหายไปแล้วดับไปแล้วมาเสียดายเรื่องใหม่คือม้าตายม้าตัวนั้นฟังทีแรกยังไม่รู้ว่ามาตัวไหนพอบรรยายว่ามาตัวนี้ตัวนี้ตัว น, วนี้เป็นอย่างนี้จําได้จําได้นี่คือสัญญาบวกกับประสบการณ์ใหม่ทาบกันได้นี่แสดงให้เห็นว่าสัญญา กับสังขารมาันทำงานทางานกันยังไงกับวิญญาณด้วยนะแล้วก็เกิดพร้อมกันกันกบเวทนาสุขบ้างทุกบ้างตอนนี้มันมีแต่ทุกตอนนี้มีแต่ทุกนะตกใจตกใจก็เป็นส่วนหนึ่งของทุกตกใจเสียดายเสียดายก็ทุกนะเสียดายนี่เป็นสังขารนะมา้าเป็นอะไรตายมันหัวใจวายตายครับทำไมหัวใจวาย เออผมให้มันเป็นลากรถบรรทุกน้ำครับท่านจำได้ไหมครับรถบรรุกน้าเนี่ยเรามีรถบรรทุกน้ำอันหนึ่งเตรียมไว้สาหรับดับเพลิงนะครับดับเพลิงมันถังเป็นหมื่นหลิตรนะแกบ้าหรือเปล่ามาเอาไว้แข่งเอาไว้วิ่งแข่งทำไมไปลากรถดับเพลิงมันก็ตายแสิก็ตายครับตายแล้วครับแล้วทำไมไปลากรถดับเพลิง คือไฟมันไหม้ครับไหมอะไรไหมบ้านก็คือไมมรีสอร์ทท่านนะครับมาตายนี่รู้สึกเฉยๆแล้วใช่ไหมรีสอร์ทไหมทำไมรีสอร์ทถึไงไหมพอบอกรีสอร์ทไหมเนี่ยไม่ต้องนึกเทียบแล้วใช่ไหมนึกออกเลยนึกออกเลยตอนนี้นึกออกเลยว่ารีสอร์ทภาพยังไงแล้วก็ไฟไหมมันควรจะเป็นยังไงวอดวายแน่เลยกูมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไฟไหม คือเทียนมันล้มครับเทียนมันล้มไปโดนม่านครับมันเลยลุกแล้วผมก็ดับไม่ทันครับก็เลยต้องใช้ม้าของท่านเนี่ยไปลากรถดับเพลิงเพื่อเอาน้ำมาดับไฟที่ไหมครับแกจะบ้าเหรอกรแด้วนะตอนนี้กรอดไม่รู้ตัวไม่มีสติไม่รู้ตั ว, ตรตวกรอดแกจะบ้าเหรอรีสอร์ท่านก็มีไฟฟ้าทำไมไปจุดเทียนอืมทาไม นี่ทั้งโกรธทั้งสงสัยปนกันคืออย่างนี้ครับเทียนนั้นเป็นเทียนสำหรับพิธีศพครับศพศพใครอีกตายไปกี่คนแล้วเนี่ย ม, มีอะไรนกแก้วมา้าไฟไหม้บ้านศพใครอีกคืออย่างนี้ครับท่านฟังดีๆนะครับเมื่อคือนนี่แะครับคือภรรยาท่านมากลางดึก โดนไม่แจ้งให้ทราบก่อนผมก็นึกว่าขาโมยเปิดประตูมาผมเลยเอาไมค์ก๊อฟที่ใคยไทเกอร์วูดให้ท่านเป็นของขวัญเนี่ยฟาดไปมาดูทีเป็นภรรยาท่านผมก็เลยทำพิธีศพให้ที่บ้านเลยครับพิธีศพเนี่ยก็เลยต้องตั้งเทียนตามพิธีผมพยายามทาให้ดีที่สุดครับแต่ว่าอยู่คนเดียวครับมันเลยเทียนลมครับ เงียบขนาดเงียบเนี่ยทายซิว่าเศรษฐีคิดอะไรเศรษฐีเงียบเงียบมีอะไรเสรียหายบ้างนกแก้วตายอะไรอีกมาตายรีสอร์ทไฟไหมแล้วเมียตายเศรษฐีเลยบอกว่าไอ้ปืด้ดถ้าไม่กอล์ฟหักอีกมึงตาย ความสูญเสียความสูญเสียนะความสูญเสียเนะี่ยนี่มันแปลว่ารักไมกอฟมากกว่าเมียปะ <laughs> รู้สึกกันไหมรู้สึกน้อยใจไหมมันรักรักไมกอฟมากกว่าเมียผีเมียจะมาหลอกหรือเปล่านี่คือเล่ามาเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าจิตมันทํางานยังไงจิตมันทํางานยังไงการที่จําได้ระลึกได้ แบบโลกๆเนี่ยมันแค่สัญญากับประสบการณ์ใหม่แมทช์กันพอดียังไม่ใช่สัญญาในแง่ของที่จะมาเจริญสติที่เราจะเจริญเจริญสติเนี่ยไม่ใช่จำได้ว่าใครชื่ออะไรไอสัตว์ตัวนี้คืออะไรนกแก้วหรือมามาตัวไหนรีสอร์ท คือรีสอร์ทของฉันเป็นรูปร่างเป็นยังไงไม่ใช่อย่างนั้นที่เราจะมาฝึกสติคือรู้ทันว่าจิตขณะนี้เกิดอะไรขึ้นโกรธรั่วโกรธไม่ใช่ไอป้ปื๊ดมึงตายนี่คือรู้ถึงไอป้ปื๊ดแต่ไม่รู้ว่าตัวเองกาลังโกรธกำลังมีจิตใจที่มีกุศลบ้างเช่นเป็นยังไงไอป้ป๊ดต้องการอะไรให้ช่วยเหลือหรือก็ไม่รู้ว่ามีความกรุณาเกิดขึ้นตกใจก็ไม่รู้ว่าตกใจ มันรู้แค่ว่าเฮ้ยอะไรอีกแล้วเฮ้ยอะไรอีกแล้วเราส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมประสบการณ์ในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเจออะไรก็นึกถึงนั้นเจออะไรก็นึกถึงนั้นสิ่งข้างนอกแต่ไม่รู้ว่าจิตขณะนี้เป็นอย่างไรมันเป็นแค่สัญญาทำงานจิตทำงานสังขารปรุงแต่งไปไม่มีซักขณะหนึ่งเลยแงะมาดูว่าจิตเมื่อกี้นี้เป็นอย่างไรชีวิตมันก็เลยวดวายไปเรื่อย แก้นกแก้วตายมัง่งมาตายมัง่งไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆชีวิตเราวนเวียนอยู่อย่างนี้นะประสบเหตุเทียบสัญญาเก่าระลึกได้นึกว่ามีสติยังไม่ใช่เป็นสติแบบโลกโลกสติจริงๆที่จะมาเจริญเพื่อความพ้นทุกข์ให้เกิดวิปัสสนาเนี่ยคือรู้ว่าขณะเมื่อกี้เนี่ยจิตมันเกิดอะไรขึ้นและส่วนใหญ่เป็นจิตที่มีอกุศล เพราะโลกเราเนี่ยนะประสบมาแล้วเนี่ยมันมีความหอมหวานหลอกล่ออยู่นิดๆหน่อยๆพอให้เราขวนขวายพอเราขวนขวายหาทําไมรู้สึกว่าความหอมหวานนั้นมีค่าเพราะหายากเพราะหายากใบหน้าแต่งตึงเนี่ยมีอยู่แป๊บเดียวตอนนี้ใครแต่งตึงอยู่บ้างนะมันมอยู่แป๊บเดียว บางคนเป็นอดีตผ่านไปแล้วบางคนอดีตนานจนทำใจได้แล้ว <laughs> แต่ยังหอมหวานอยู่ยังอยากปรุงแต่งให้มันดีขึ้นมาบ้างอะไรอย่างนี้นะรสอร่อยอร่อยเคยริมรสไหมเคยอร่อยนานไหมแป๊บเดียวนะพอริมรสปุ๊บอร่อยนะรีบกลืนเลยสังเกตไหม พยายามจะจ้วงคำต่อไปเข้าปากใช่หมอร่อยแป๊บเดียวรีบกลืนแท้จริงแล้วเนี่ยอร่อยมันควรจะอมมานานๆเนาะไม่อมมานานเรียบกลืนกึ๊บจ้วงตักต่อคุยไปคุยมาลืมลืมลืมรู้รสอีกอาหารอร่อยเลยไม่ค่อยรู้รสเท่าไหร่เพราะว่าโม่แต่คุย enjoy enjoy เมาเราเลยรู้สึกว่าตายแล้วมือนี้ ยังไม่สะใจต้องไปหากินอีกบางคนกินโต้ลุ่งยนยันเช้า <c oughs> ความอ ร, อร่อยของโลกเนี่ยเราเสพได้นิดเดียวแต่มันติดใจแต่มันติดใจทำให้เราต้องคอยวนเวียนเกิดเวียนตายเพื่อมาเสพเซเวยโลกต่อไปถ้าไม่รู้ทันมันน่ากลัวนะคิดแล้วน่ากลัวโลกเนี่ยประกอบด้วย ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศสธาติและวิญญาณธาตุโลกนี้คือโลกคือกายและใจคือชีวิตเราเนี่ยแต่เราไม่ค่อยเรียนรู้โลกคือธาตุนี้แต่ไปเรียนรู้โลกคือต้นไม้ใบหญ้าเรียนจักรวาลเรียนพระอาทิตย์เรียนดวงจันทร์หลุมดำเรียนโลกข้างนอกซึ่งเรียนได้เรียนได้นะเรียนเอาไว้เพื่อใช้ชีวิตกับโลกนี้พอที่จะเลี้ยงตัวเองต่อไปได้ แต่ถ้าจะให้พ้นจากทุกตัวนี้ต้องมาเรียนรู้สิ่งที่เรายึดว่าเป็นเราฟังยากนะสิ่งที่เรายึดว่าเป็นเราสิ่งที่ถูกยึดว่าเป็นเราคือกายและใจอันนี้เพราะตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างปัญหาสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นที่แท้จริงทุกคนอื่นที่เกิดขึ้นคนอื่นทำเลวยังไงก็เรื่องของเขาคนอื่นเขาจะทำเลวแค่ไหนเรื่องของเขา แต่ถ้าเราไปไม่พอใจในความเลวอันนั้นนี่เป็นความเลวของเรางงไหมไม่งงนะคนอื่นทําชั่วแค่ไหนโทษคนอื่นเราเห็นเห็นชัดด้วยโทษตัวเองไม่ก็เห็นใช่ไหมมันมีคํากรรทโทษคนอื่นอะไรเห็นเช่นภูเขาโทษของเรากลับไม่เห็นเป็นไน โทษคนอื่นจะมากสักเท่าไหรไม่ทําให้เราตกนรกเลยนี่เป็นคําที่หลวงปู่มั่นเขียนเอาไว้อาจจะไม่ตรงเป๊ะเท่าไหร่นะโทษคนอื่นเห็นง่ายเห็นเท่าภูเขาโทษของเรากลับไม่ค่อยเห็นมีคํากรอนถึงขนาดว่าอะไรผายลมคนอื่น <laughs> ตดคนอื่นเอาเอาคำตรงๆนะตดคนอื่นเหม็นตนอื่น เม็นตรดตัวเองเนี่ยหอมอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นเรื่องที่ที่เราไม่ค่อยคุ้นที่จะหันมามองนั้นเราต้องสร้างความคุ้นเคยที่จะมามองสร้างความคุ้นเคยเพื่ออะไรเพื่อสร้างสัญญาสร้างสัญญาไว้ในใจ สัญญาไม่ใช่พันธะสัญญาเลยนะสัญญาคือสภาวะอันหนึ่งที่อยู่ในขันห้าขันห้ามีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณสัญญาคือตัวจําได้หมายรู้ที่เศรษฐีคนนั้นนึกหน้าไอ้ปื๊ดทีแรกไม่ออกเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอไอ้ปื๊ดมีตังมากมีรีสอร์ตแต่ไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้เจอพออยปื๊ด ได้ยินเสียงไอ้ปื๊ดแล้วยังนึกไม่ออกเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอสัญญาจึงทํางานยากแต่พอบอกว่ารีสอร์ทไฟไหมนึกออกได้แล้วจําได้เวลาเราจะนึกหรือว่าราคะเกิดขึ้นกับใจหรือโทสะเกิดขึ้นหัวใจนึกไม่เคยออกเพราะจิตยังไม่เคยดูไม่เคยมีสัญญาเก็บเอาไว้เลยในจิตเลยว่า ราคะมีลักษณะยังไงโทสัมีลักษณะยังไงโมหะมีลักษณะยังไงฟุ้งซ่านมีลักษณะยังไงหดหูมีลักษณะยังไงไม่เคยเก็บข้อมูลนี้ไว้เลยในจิตมีแต่ว่านังนั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีเห็นหนกแก้วตายม้าตายเสียดายไทเกอร์วูดโอ้เห็นภาพตอนไทเกอร์วูดให้ให้ไม้ก๊อฟอันนี้มาภาพมันออกมาเป็นข้างนอกหมดเลย ไม่รู้เลยว่าเสียดายเป็นยังไงโทสะเป็นยังไงโลภะเป็นยังไงตกใจเป็นยังไงไม่เคยเห็นเลยมันจึงไม่มีสติแบบอัตโนมัติขึ้นมาได้มีแต่ความจำอัตโนมัติขึ้นมาว่าใขรเป็นอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงกะใขรอย่างนี้นะคือมีสติรู้แค่ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสติที่เราจะฝึกเพื่อการมีปัญญาเพื่อพ้นทุกเนี่ย อสติรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใจรู้ว่าราคะเป็นอย่างไรโทรสะเป็นยังไงโมหะเป็นอย่างไรรู้ทันมันแรกๆจะรู้ว่าราคะเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนกับโทสะราคะเป็นอย่างนี้นะราคะมีลักษณะว่าติดใจลักษณะเหมือนติดใจอยากเห็นอีกอยากดูอีกอยากดมอีกอยากสัมผัสอีกอยากคิดนึกต่อไปเรื่องเมืเรื่องนะคิดแล้วมันมากเลยอยากคิดต่อ รู้สึกไหมอยากคิดต่อใครมากวนอนะ่ะฮึ่ ม, มเลยนะบางคนเนี่ยแม้แต่นั่งสมาธิแล้วดูเหมือนหลับนะรู้สึกว่าแบบเคลิ้มไปนะไปบอกพี่พี่หลับแล้วกําลังสงบเลยติดใจในความในความตรงนั้นอนะความสงบสงบอะไรของเขานะ่ะตรงนั้นอนะติดใจไม่ชอบโกรธก็ติดคิดแล้วแบบเครียดแค้นนะเครียดแค้น ออยากให้มันฉิบหายอยากให้มันฉิบหายวายป่วงก็คิดยิ่งสร้างภาพยิ่งมันคิดคิดคิดติดใจเหมือนกันคิดแล้วก็มันในอารมณ์สร้างฉากสร้างเรื่องราวในอนาคตที่อยากให้เป็นแช่งเขาน่แหละ <c oughs> <c oughs> ก็ติดใจในความมีโทสะอนนันัคิดนึกปรุงแต่งเรื่องราวด้วยโทสะตลอดที่คิดนั้นเป็นอกุศลตลอด สิ่งที่เราจะต้องฝึกคือรู้ทันว่ามีอกุศลเกิดขึ้นมีโทสะเกิดขึ้นมีราคะเกิดขึ้นโทสะมีอาการคืออยากจะทำลายอยากจะพ้นไปจากสภาวะนี้อยากจะผลักออกไม่ชอบใจและทุกครั้งที่มีโทสะจะมีเวทนาเกิดขึ้นประกอบด้วยเสมอคือมีทุกมทกทีทุกขเวทนาเกิดขึ้นประกอบอยู่ด้วยเสมอสังเกตง่ายดูง่ายใครขี้โกรธภาวนาดีภาวนาง่าย ใครขี้โกรธใครขี้โกรธบ้างดีใจด้วยที่จะภาวนาง่ายต้องมีความตั้งใจที่จะเจริญสติก่อนยังไม่มีสติแบบอัตโนมัติเพราะไม่มีสัญญาเก่าเลยเกี่ยวกับสภาวะที่เป็นสภาวะที่เป็นราคะเป็นยังไงสภาวะที่เป็นโทสะเป็นยังไงไม่เคยมีสัญญาเก่าเลย มันจึงยังระลึกไม่ได้ต้องคอยตั้งใจดูมันเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นตรงนี้เรียกว่าอยู่ในขณะที่ฝึกเจริญสติขณะที่ฝึกเจริญสตินี่คือต้องตั้งใจแงะดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตหรือขณะนี้กายเป็นอย่างไรดูกายก็ได้ดูใจก็ได้นะคนที่หนัดดูกายก็ดูกายยังไม่มีอะไรดูในใจก็ดูกาย แต่พอมีอะไรเกิดขึ้นในใจก็ดูใจดูไม่ใช่ดูว่ามันคิดถึงใครหรือใครทำอะไรเราแต่ดูว่าใจขณะนี้มันเป็นราคะหรือโลภะศัหรือโมหะหรือฟุ้งซ่านหรือหดหูมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ดูด้วยนะว่ามันดับไปเห็นความเกิดดับของมันด้วยอย่างนี้ดูไปดูไปเนี่ยจนมันมีเริ่มมีความจาเห็นครั้งหนึ่งมันจะจานะจิตเกิดขึ้นสเสวยอา ร, รมณ์มีกิเลส แล้วก็ดับเป็นเหตุให้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาสเสรยอารมณ์แล้วมีกิเลสแล้วก็ดับส่วนใหญ่เป็นอย่างงี้นะทุกครั้งที่มีกิเลสมันก็เก็บเป็นสัญญาเรียกว่าอนุัยทุกครั้งที่มีกิเลสเกิดขึ้นมาดับไปตอนดับก็เก็บเป็นอนุัยแต่พอมีสติพอมีสตินะตอนนี้เกิดขึ้นมาสเสวยอารมณ์แล้วมีโทสะ ดับไปก็เก็บนะเป็นปฏิคานุ้สัยไปแล้วนะจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่จะไปเสวยอารมณ์ข้างนอกแงะมาดูว่าจิตเมื่อกี้นี้มีโทสะจิตดวงนี้มีสติจิตดวงใหม่นี้มีสติแล้วก็ดับในขณะที่ดับเนี่ยมันจำไปแล้วว่าโทสะมีลักษณะอย่างนี้มีสัญญาใหม่ขึ้นมาที่ไม่ใช่อนุสัยเห็นเลยว่าโทสะเป็นอย่างนี้ยังไม่พอ เห็นครั้งเดียวไม่พอเพราะว่าถ้าเทียบปริมาณแฟ้มข้อมูลแล้วเนี่ยชิ้นเดียวกับไอ้นั่นมันเป็นกองเลยอะยังไม่ได้ยังไม่พอต้องดูอีกดูอีกดูไปเรื่อยๆโทสะเป็นอย่างนี้อ๋อโทสะแต่ละขณะที่ดูไม่เท่ากันด้วยโกรธปี๊แตกกับงุดหงิดนิดๆหน่อยๆก็ไม่เท่ากันนะงุดหงิดมากขึ้นมากขึ้นก็มีปริมาณไม่เท่ากันแล้วแต่ละขณะไม่เหมือนกันเป็นโกรธใหม่โกรธใหม่แต่เรียกว่าโกรธเหมือนกัน มีรักก็รักใหม่นะเห็นหน้าคนเดิมรักเห็นอีกทีรักรักใหม่นะดูเหมือนหลายใจไหมรักอีกเห็นหน้ารักอีกเห็นหน้ารักอีกเนี่ยรักใหม่นะรักเก่าดับไปแล้วกับจิตดวงเดิมจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมารักอีกเป็นจิตที่มีรักอีกครั้งหนึ่งเป็นรักครั้งใหม่สดสดสิงสิงเ้ยคำว่าสิงสิงนี่มันเป็นยังไงนะ มาจากอะไรอะรู้ไหมสิ่งๆนี้มาจากอะไรฮะอะไรนะใหม่ๆเหร อ, อ ม, มันมาจากภาษาอะไรภาษาจีนเหร อ, อ <laughs> ทุกครั้งที่มีสภาวะเกิดขึ้นขณะนั้นเป็นของใหม่ของเก่าดับไปแล้ว อดีตคืออดีตเกิดขึ้นมาดับไปแล้วเกิดขึ้นจริงแล้วดับไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่คือของใหม่ของใหม่นะรักก็รักใหม่โกรธก็โกรธใหม่เมตตาก็เมตตาใหม่มีสติก็มีสติดวงใหม่เก็บข้อมูลไปเก็บข้อมูลไปทุกขณะทุกขณะและส่วนใหญ่จะเป็นเก็บข้อมูลอะไรอนุสัยนานๆจึงจะมีสติขึ้นมาทีก็เก็บตอนมีสติเก็บ ว่าสภาวะโกรธเป็นอย่างนี้แล้วก็เก็บไปนานๆจะมีโทรษัขึ้นมาอีกทีมีสภาวะโกรธเก็บว่าสภาวะโกรธเป็นอย่างนี้เก็บจนเป็นฐานข้อมูลแน่นพอพอมีความโกรธขึ้นมาใหม่ไม่ต้องตั้งใจดูมันก็สามารถรู้ได้ว่านี่คือโกรธเหมือนกับตอนที่เราเห็นผู้หญิงสวยๆหรือผู้หญิงเห็นผู้ชายหล่อๆแล้วเกิดราคะง่าย ไม่ต้องตั้งใจจะเกิดราคะมันเกิดเองเพราะว่ามันสะสมราคะไว้เยอะเห็นปุ๊บเหลียวหลังเลยบางทีก็เก็บเป็นนึกฝันต่อเพราะอะไรเก็บราคะเอาวเยอะไม่ต้องตั้งใจให้เกิดราคะมันก็เกิดขึ้นมาเองเพราะว่าสะสมเอาวเยอะเห็นหน้าคนนี้แล้วทำไมเกิดโทสะง่ายเพราะเราสะสมโทสะเอาวเยอะเจอไอ้นี่สกิดหน่อยก็โทสะเกิดเลยทาไมสติไม่ค่อยเกิด เพราะยังสะสมไว้ไม่พอเพราะยังสะสมไว้ไม่พอเพราะยังไม่รู้จักเลยว่าโทสะเป็นยังไงไม่ค่อยรู้จักต้องรู้จักมันบ่อยๆจะรู้จักมันยังไงบ่อยๆก็มันเกิดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วก็ดูมันสิไม่ค่อยรู้จักเลยราค่าเป็นยังไงก็รู้จักมันสิแล้วไม่ต้องตั้งใจให้เกิดเพื่อจะเจริญสตินะมันเกิดอยู่แล้วมันเกิดอยู่แล้วนะไม่ต้องไปดักรอว่า จงมีราคาขึ้นมาจงมีโทสะขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องไปดักล่อไม่ต้องปรุงแต่งหลอกมันเอาของจริงที่เกิดขึ้นจริงๆของจริงที่เกิดขึ้นจริงจริงไม่ต้องไปหลอกมันแล้วมันจะมีของจริงประทับอยู่ในจิตเก็บเป็นฐานข้อมูลอยู่ในสัญญาพอมีราคาเกิดขึ้นมาพอมันข้อมูลมันแน่นพอนะนะมันพอที่จะไม่ต้องคอยตั้งใจดูมันก็จะรู้ได้ว่า ราคะเกิดขึ้นแล้วตรงนี้เรียกว่ามีทิระสัญญาเคยได้ยินไหมทิระสัญญาสัญญาเก็บไว้มากเข้ามากเข้ามากเข้าจนไม่ต้องตั้งใจดูว่าราคะเป็นยังไงจิตมันจำได้ขึ้นมาเองว่านี่ไงราคะเพราะมันเคยมีบ่อยเหมือนเวลาโยมเจอหน้ากันโยมเจอหน้ากันเป็นเพื่อนกันเนี่ยใครมากับเพื่อนบ้างมีไหมมากับเพื่อนป่ เป็นเพื่อนกันเหรอครบกันมากี่ปีสามปีอ๋อคนนี้ก็สามปีคนนี้ก็สามปี้วเจอครั้งแรกเนี่ยรู้จักหน้ากันจำชื่อกันยังไม่ค่อยได้ถ้าเจอกันบ่อยๆเข้า <c oughs> เห็นหน้าจำชื่อได้ถ้านานๆเจอทีเพื่อนบางคน เพื่อนบางคนนานๆเจอทีนะหรือว่าเจอกันวันนี้อีกสิปีจังมาเจอกันนึกหน้าบางทีมันนึกหน้าไม่ออกเลยเทียมหน้ากันไม่ได้ว่าเอ๊ะทาไมมันบวมขึ้นเยอะเลยนะนะหน้าเก่ามันแบบหนึ่งหน้าใหม่มันบวมขึ้นมาเนี่สัญญาสัญญาเก่ากับประสบการณ์ใหม่เทียบกันไม่ได้จําไม่ได้ไไดอย่างที่เรียกว่าแม้แต่จําหน้าคนก็ใช้สัญญาตัวนี้ถ้าเจอกันบ่อยๆนึกเห็นหน้าแล้วก็นึกชื่อได้ทันที บางคนถึงขนาดว่าแค่เสียงเดินก็จําได้ว่าใหญ่นี่มาแล้วอิตาเนี่มาแล้วเสียงเดินนะบางคนเห็นแต่ไกลเลยเห็นวิวิวผิวๆไหวๆนะถ้าเดินเนี่ยใช่เลยเห็นแค่เงานะใช่เลยเห็นผมสยายฟึ๊บเนีใช่เลยใหญ่นี่เลยบ๊อบมาแล้วอะไรเงี้ยใช่เลยมันจําได้เพราะเห็นบ่อยเห็นบ่อยหมายความว่าไง จิตสวยอารมณ์ก็ดับจิตสวยอารมณ์ก็ดับทุกครั้งที่ดับเก็บเป็นสัญญาอยู่เรื่อยๆนี่นะเวลาเราเจอกันเนี่ยนหน้าอย่างงี้มาบ่อยหน้าอย่างนี้ก็มาบ่อยหน้าอย่างนี้ก็มาบ่อยจําได้อาจจะไม่รู้จักชื่อนะแต่จําได้จําหน้าไดา้เพราะว่าอะไรเพราะเห็นบ่อยเราต้องเจริญสติเห็นราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่าหนหัวดูบ่อยๆเหมือนกับเห็นเพื่อนเหมือนกันอย่างนั้นเราต้องเห็นบ่อยกว่าเห็นเพื่อนด้วยเพราะมันเกิด บ่อยๆเกิดบ่อยกว่าเห็นหน้าเพื่อนนะสภาวะต่างๆเนี่ยเกิดบ่อยกว่าเห็นหน้าเพื่อนอีกเพียง <os> แต่ว่าเราจะรู้ทันมันหรือเปล่าทอนนั้นเองถ้ารู้ไม่ทันนะมันก็ผ่านไปโดยที่เราไม่รู้จักเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปโดยเราไม่รู้จักและผ่านไปเนี่ยมันไม่ผ่านฟรีๆนะมันก็เก็บเป็นอนุสัยแสดงว่าสภาวะที่เกิดมาแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยเราจะเก็บเป็นแต้มไหนท่านั้นเอง จะเก็บเป็นแต้มอนุัยหรือจะเก็บเป็นแต้มที่เป็นทิระสัญญาต่อไปที่จะมาเจริญสติที่มากลายเป็นบารมีต่อไปฉะนั้นทุกขณะเป็นขณะที่เราเลือกเองที่จิตเราเลือกเองว่าจะสะสมอนุใยหรือจะสะสมเป็นสัญญาที่เป็นสติปัฏฐานเห็นไหมทุกขณะนะทุกขณะฉะนั้นสำคัญ คโนโวมาอุปัจจาคาเคยได้ยินไหมเป็นพุทธภาษิตบอกว่าขณะอย่าล่วงเลยท่านไปขณะทุกขณะเลยนะอย่าล่วงเลยท่านไปทุกขณะมีค่าเสมออย่าคิดว่าไม่เป็นไรเอาไว้ตอนบ่ายบค่อยจเจริญสตินานไปตอนนี้ทําเลยตอนนี้ขณะนี้มีชีวิตอยู่แล้วขณะจิตเกิดขึ้นแล้วทําเลยแล้วลึกไปเลยเอาปัจจุบันนี้เลยไม่ต้งองรอถึงตอนบ่าย เพราะอาจไม่ทันบ่ายหรือว่ากว่าจะบ่ายแล้วก็สะสมอนุสัยไปเยอะแล้วมากเกินไปใช้เวลามากเกินไปที่จะไปตั้งต้นเจริญสติเข้าใจนะมีธรรมะอีกชุดหนึ่งชุดที่เรียกว่าอธิษฐานธรรมอยู่ในพระสูตรเดียวกันวันนี้มาแบบเหมือนมาขยายความต่อต่อเนื่องนะ สูตรนี้น่าสนใจแล้วก็ถูกยกขึ้นมาอธิบายครูบาอาจารย์จะยกขึ้นมาอธิบายเพียงแต่ว่าท่านจะยกชื่อสูตรหรือไม่หรือไม่ไมานนั้นเองอธิษฐานท ร, ร ม, มีอยู่4อย่างจำได้ไหมอะไรบ้างปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะปัญญาท่านก็บอกว่า ในสัตว์ในอธิษฐานทำทั้งสี่ข้อเนี่ยควรทําอะไรกับทำทั้งสข้อนี้ไม่พึงประมาทปัญญาปัญญาเน้นะไม่พึงประมาทปัญญาไม่พึงประมาทปัญญาก็คือพึงเจริญปัญญาบ่อยๆความประมาทเนี <pinpoint> ่ยมันตรงข้ามกับคําว่าสติควประมาทเนี่ยตรงข้ามกับคําว่าสติถ้าขาดสติเมื่อไหร่คือประมาทเมื่อนั้นตรงข้ามกันนะวันนั้น จึงควรมาเจริญสติแล้วแยกธาตุแยกขันธ์จึงจะเกิดปัญญาในกรณีของท่านปุกุสาติท่านเจริญฌานมาให้แยกธาตุพวกเราถ้าไม่มีฌานให้เจริญสติแล้วก็มาแยกขันธ์เพราะว่าเราจะมีเรื่องของนามธรรมาเกิดขึ้นบ่อยกว่าของท่านที่พวกเจริญฌานเนี่ยนะทางนามธรรมาถ้าไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดท่านจะนิ่งๆิ่งจิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งนิ่งๆิ่ง จึงได้ชานทางด้านนา้ำพธรรมนไม่ค่อยมีให้ดูเท่าไหร่จึงต้องมาแยกรูปให้ละเอียดขึ้นกลายเป็นแยกาธาตุแยกาธาตุเป็นาธาตุสี่คือแยกรูปออกมาเป็น4 4อย่างแต่พวกที่ดูจิตมาแยกนามแยกนามก็แยกออกมาเป็นสี่อย่างเป็นเป็นอะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉย สัญญามีหลอกลวงตลอดเลยตอนนี้สัญญาหลอกลวงสัญญาหลอกลวงเป็นยังไงสัญญาหลอกว่าสวยในสิ่งที่ไม่สวยถูกหลอกไหมถูกหลอกอยู่ปะหลอกตัวเองบ้างคนอื่นหลอกเราบ้างใช่ไหมสัญญาว่าสวยสําคัญหมายรู้ว่าสวยในสิ่งที่ไม่สวยในรวมถึงหลอด้วยนะรวมถึงหลอด้วยใครถูกชมว่าหลอกถูกหลอกนะ อย่าอย่าอย่าประมาทนะสัญญาว่าสุขหมายรู้ว่าสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เรายังมีหมายรู้ว่าสุขอยู่นะจึงติดโลกอยู่จึงติดโลกอยู่จึงไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ของการมีชีวิตครั้งนี้สัญญาเห็นว่าตัวตนมีตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเรารสึกว่ามีตัวตนไหมมีเราอยู่รู้สึกว่ามีเราอยู่ มองมาเนะี่ยยังมีเราอยู่แต่เราเนี่ยลองสเกตดูดีๆ ม, มันมีบ้างไม่มีบ้างนะตอนที่ไม่คิดถึงมันก็ไม่มีนะไม่มีพอนึกถึงมันจะมีเออมันจะมีมันมันยามหน้าเรานเนี่ยตอนเนี้ยมันจะมีความคิดเบ่งขึ้นมาว่ามีเราเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ใครมาสกิดไม่ได้ห้ามมากระทบนะใครมาบ่นแซะความเป็นเราเนี่ยไม่ยอม พยายามทำให้ความเป็นเราเนี่ยมีความมั่นคงแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแล้วมีอะไรอีกเออไม่เที่ยงว่าเที่ยงสัญญาหมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงที่สัญญากันไว้เนี่ยที่หมายรู้กันไว้ที่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิเลยนะคือเห็นว่าจิตเนี่ยเที่ยงจิตเนี่ยเที่ยงใครรู้สึกนี้บ้างจิตเนี่เที่ยง จิตนี้เที่ยงเที่ยวไปเที่ยวมาวนไปวนมาไม่เกิดไม่ดับพอร่างกายนี้ตายไปจิตนี้ก็ออกไปเกิดใหม่ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างถ้าทำบาปมากก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นจิตดวงเดียวเนี่ยไม่เกิดไม่ดับเลยไปเกิดใหม่นี่เรียกว่าเห็นสัญญาหมายรู้ผิดผิดเห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงแท้จริงแล้วจิตเกิดดับอยู่เสมอ จิตเกิดดับอยู่เสมอจึงทําให้จิตเห็นจิตได้ถ้าจิตเที่ยงนะจิตไม่เห็นจิตเพราะจิตมีสภาพรู้อารมณ์พมีสภาพรู้อารมณ์จะเปรียบเหมือนไฟฉายไฟฉายฉายออกไปฉายได้ตลอดเลยรู้หมดเลยรู้โลกรู้คนนู้นนี้รู้ได้ตลอดรู้ข้างนอกแต่ฉายตัวเองไม่เจอฉายตัวเองไม่เจอทําไมฉายตัวเองไม่เจอเพราะมันว่าออกไปข้างนอกจิตมีสภาพรู้อารมณ์แต่จิตนี้เกิดดับ มันจึงมีขณะหนึ่งที่ไม่ใช่มีมขณะหนึ่งแล้วมีทุกขณะละจิตเกิดดับเลยนะแต่มีอยู่ขณะหนึ่งได้ที่จิตดวงนี้สวยอารมณ์แล้วมีกิเลส ด, ดับไปจิตดวงใหม่แทนที่จะไปดูข้างนอกดูไอ้เมื่อกี้นี้ที่ทเพิ่งดับไอ้ตัวนี้แหละจึงเรียกว่าจิตเห็นจิตได้เพราะจิตเกิดดับจึงมีช่วงเวลาที่จิตมาเห็นจิตได้แต่ถ้าดับไปนานแล้วค่อยมาดูนะ เป็นการนึกถึงอดีตไม่ใช่จิตเห็นจิตแล้วนะดับไปนานแล้วแล้วค่อยไปดูเนะี่ยมันต้องนึกเอาเช่นเมื่อเช้านี้โกโรธต้องนึกเอาแล้วนะโกโรธใครโกโรธเมื่อไรอะไรเงี้ยต้องนึกเอาแต่ตอนที่เห็นว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นเนะี่ยไม่ต้องนึกเลยไม่มีคำพูดเลยเพียงแค่ดูมันดูเฉยๆว่าเกิดอะไรขึ้นเคยมีไมเคยรู้ได้ไห ลองดูนะลองดูแค่แงะดูดูเฉยๆว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องสะบัดหัวก็ได้มันมันเป็นการเหลียวมองอยู่ในใจนี่คืออธิษฐานทำข้อหนึ่งนะพึงไม่พึงประมาทปัญญาอันที่สองอะไรอนุรักษ์สัจจะรักษาสัจจะตามรักษาสัจจะตามรักษาสัจจะก็คือว่า ให้ดูของจริงรักษารักษาความเป็นจริงไม่ปรุงแต่งบิดเบือนความจริงรักษาสัจจะพูดในสิ่งที่จริงถ้าจะพูดก็พูดในสิ่งที่จริงจะถ้าจะรู้ก็รู้ของจริงถ้าจะพูดก็พูดในสิ่งที่จริงพูดในสิ่งที่จริงเนี่ย